าทางคดีธรรมะธรรมทางด้านปฏิบัติไ่ไูกไปนอก่ดูกอื่นูอยู่ในกายในจิตเราจึงควรส่งใจไปที่อื่นใหน้าอยู่ในตัวของตัวถูกธรรมะส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกธรรมะ ดี่พระพุทธเจ้าท่านแลอนทุกดาวมันดมีอยู่ในตัวของตัวเท่านั้นแต่ยมีอยู่ที่อื่นแต่กำลาของธรรมะ ม, มันมีมากกล่าวถึงเรื่องของวารัยจิตที่ปรุงไปต่างๆยิ่งไปศึกษาเท่าไรที่รำผัวถึงเรื่องของจิตเท่านั้นดวงท่านี้ดวง เป็นอกุศลเป็นกุศลเลยยุ่งกันใหญ่ัทนที่จะศึกษาให้จิตใจของตัวสลาดให้กลับโง่เอาความสงบไปได้เอาความสุขของใจไปได้เกิดสงสัยเกิดมานะคิดคิดเราศึกษามามากมายรู้จักเรื่องต่างๆแต่าทางที่จะทำตัวของตัวให้สงบ ละโลภโกรลงไม่เป็นไปมีอะไรมาแต่ต่องนิดหน่อยโกรธเขาคูไม่ถูกหูกว่าโกรธนี่คือธรรมะนอกศึกษามาจำมาเป็นเรื่องของสัญญาจำได้มากเทไรโดยมีคุณค่าแต่การปรปฏิบัติภายในกำหนด กายกำหนดใจท้องตัวไม่เป็นอย่างนั้นกำหนดลงให้รู้ให้เห็นให้จิดเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญารู้กระจักในตัวท้องตัวความชั่วที่เคยติดที่ลงดหดหายเลิกละนี้เคย ทำโดยกายปลุกโดยวาจาหายหนีโดยอำนาจของศีลคุ้มครองรักษาชั่วหายจิดโดยใ จ, ยยยจกยย็หายหนีโดยสมาธิกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าตามะสันเยบาตทินวิทะอุทะจักกุพุจจาวิตีชาหายหน้าหายตาหนีมาอย่างนั้นใจก็ไม่เป็นสมาธิในรวม สงบแต่ยังคิด <c oughs> ยังคิดไปในทางแง่ต่างๆทางปฏิบัติปัญญาการพิจารณาสังขารหลางกายของตัวให้รู้ให้เข้อใจในขาดในขันตามเป็นจริงกว่าเป็นเรื่องละ ถ, ถอนจิดใจที่ติดข้องมั่นไม้ต่างๆ ไม่หายไปจะมีจีดวงไม่อาิี่ทมไม่ต้องกล่าวถึงจะอยู่ในขันใดภูมิใดโสดาสกิทากานะคะหรืออย่างไรนั้นไม่ต้องไปนึกไปคิดไปวาดไปเขียนมันเป็นอะไรอยู่ในเราเราก็ทราบนี่คือทางปฏิบัติกำหนด ทีนี้พิจารณาในตัวเองระยะเรานัง่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีอะไรที่จะไปผิดเรื่องของศรรีลเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดอะไรนี่แต่หนึ่งสงบอยู่กายของเราสงบว่าใจาของเราสงบในคิดเอาปัจจุบันเป็นสำคัญ อ, อย่าไปคิดอดีตที่ผ่านมาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ถ้าไปคิดเรื่องอดีตจิตกลวงฟุ่งฟงไปทางอดีตจิตไม่สามารถที่จะสงบระงับได้สมัยพุทธกาลท่านฟังธรรมอย่างองคุลิมาโจนเป็นต้นถ้าไม่ได้คิดไปในอดีตอีกฝ่าคนมาจำนวนมากขนาดไหนถ้าไม่ได้คิดไปท่านคิดอยู่ในปัจจุบันท่านสอนอย่างไรผิดถูกอย่างไรกาหนด ทิจรารนาตามจิตถูก น, นั้นจนละถอนจิตใจของตนสงบละงับดับกิเลสได้เป็นพาริยเจ้าหากันไปคิดในอดีตเรา ไ, ไปฆ่าคนไปทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันร่วมไม่ได้ให้มีปัญญาสามารถทีดประหัดประหารกิเลสเนี่ยคิดเรื่องของปัจจุบันเพราะ ตัวของเราท่านไม่ทำอะไรผิดจากศีลข้อไหนกายกับปกติวายากับปกติเป็นศีนสมบูรณ์สมาธิระวังรักษาจิตใจอย่าให้แช่สายไปในอารมณ์สัญญากามมาสัญชาที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นภัย สำหรับใจใจคิดใจคล้องใจติดใ้เรื่องการมาสันทะจิตวานว่าไปเป็นนิวรคิดตรงุ่งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเรื่องนอกนอกในใจเรื่องกรรมจั ด, ดจิตใจให้หายจากความหลงคิดส่งเสริม ไปในทางสวยทางงามทางชอบทางจิดจิตคิดไปเท่าไรก็ไม่มีวันที่จะสงบระงับได้กันจึงห้ามและยะ้ําคือเราสะดับเราฟังธรรมอย่าไปคิดแบบนั้นหรือเวลาเราหนังภาวนาไว้ห้ามกัน้นอารมณ์สัญญาส่วนนั้นอย่าให้จิตไปคิดไปปรุงถ้าจะคิดรูป ปล่อ้คิดในเรื่องอนิจจงทุกคังอนัตตาในอย่างนั้นก็คิดทางอทุคตะคือความไม่สวยงามที่เรณาตามเป็นจริงของถาดขันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มันเหมือนกันหมดถาดดินก็เหมือนกันถาดน้ำถาดลมถาดไฟเหมือนกัน อากาศบิน ญ, ญาณเหมือนกันพูดถึงถาดทั้งหกไม่มีอะไรผิ่แปลกแต่ต่างกันถ้าเหล่านี้ที่ะสมกันเข้ามีจิตเป็นผู้ทองผู้รักษาว่าถือว่ามนุษย์ถือว่าสัตว์โดยอำนาจจิตที่ลุ่มหลงยึดถือร่างกายอันนี้ก็เลยลืมหลง ว่ามันดีมันงามหากพิจรารณาอยกเป็นถาดจริงจังหรือพิจรารณาทางอาสุภาอาสุทังทางไสวยไว่งามมันตัวเห็นง่ายง่ายอเห็นอย่างไรในร่างกายทุกสิ่นทุกสว่วนมันเป็นของสุกปบกตามธรรมชาติของมันตกหล่นออกมาจากตัวของัวเราท่านมีอะไรสวยงามมีค่ามีราคาพอจะขายได้ ตกออกจากหูจากตาจาก จ, ากจากมูกในว่าถ้าวันใด้ที่ไหลออกมาลว้าาาลวนแต่อสุขะล้วนแต่ของไม่สวยม่งามไม่มีคุณค่าราคาเป็น ข, าา ข, า ข, า ข, าของน่าเกลียดในน่ารักน่าชอบนี่คือพิจารนาแก่จิตใจให้ปรุงไปในกามสันฮะคือความกำหนดินดีเมื่อล้วพิจารนาได้ ลึกลงไนาแยบคายจนใจเห็นตามเป็นจริงมันละมันถอนถ้ามันไม่เห็นตามเป็นจริงจิตจุ่มเดาหรือขาดะเสน่เอามันถอนไม่ได้เพราะมันยังมันยังหมายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเห็นตามเป็นจริงนี่แต่จิงที่สโสมกบหัวโขกจิตที่มาอาศัยอยู่ในกายก็เหมือนจิตตกไปหลุมส้วมหลุม ป, ะปะอยู่ด้วยความในทพินิษฐ์พิจารณาอยู่ด้วยความเพลิดเพลินรุ่มหลงงวนหมูมนนม่นอนอยู่ในส่วงถ้าหากมันทราบจริงจังว่าร่างกายนี้เป็นของเน่าของเหม็นของปฏีกูณอย่างนั้นมันก็ไม่เพลิดเพลินรุ่มหลงอยู่ไปก็าหาทางจะออกไหม่มาตก ในหลุมส้วมอีกคือก่อพวกก่อชาติอีกพอพีนี้พิเจนาเห็นว่าเป็นของอสุภา่อาอสุพังจริงจังจิตมันถอดมันถอนมันละมันปล่อยในติดข้องว่เห็นของเจี่วของอย่างไรของคนอื่นมันต่เหมือนกันเพราะชาติขันเหมือนกันมันไม่มีทางสงสัยจึงควรแนยสอนจิตของตัวให้พิเจนาให้ถูกต้อง เป็นธรรมจิตจะไม่มีการเกิดเพินตำหนักจินดีจะไปพยาบาทอาฆาตเขาทำไมไหนว่าคนากว่าสัตว์ก่อกรรมทาเวรกันตเปากพยาบาทไม่ป้องร้ายไหมข้าไม่จีเขาเขาก็ไม่นานเท่าไรเดี๋ยวก็จะแตกสลายไปตามถัด น, นั้นไม่มีเหลือหรอ ถ้ามันกลมได้เกาะกรรมทำเขียนให้แก่ตัวนี่หมายถึงแก่จิตใจไม่ให้พยาบาทไม่ให้อาฆาตตัดอื่นคนอื่นให้มีเมตตาสงสารความชั่วความผิดผิดเขาทำเจอะเราปุดจะเราเพราะเขาโง่เขาไม่พอใจ ใ, อจในอจในธรรม ก็ทําตามอํานาจําโ ง, ง่ทําหลงทําตามอํานาจของกิเลสตัญหาเขาจึงว่าจึงทําต่อเราอย่างนั้นสงสารเขาแคอีกไม่มีการอาฆาตถูกเวีนแจกเข า, าเดี๋ยวแก่จิตจิตปรุงไปในทางอาฆาตชยาบาะจินมิทะ ความหงงเห ง, งาห้านอนการแก่ไขก็มีอุบายที่จะสอนใจข้างตัวใจที่งงเหงาห้านอนโดยส่วนใหญ่คือใจขาดอัดทมไม่ตีติยินดีในการกระทำบำเพ็ญของตนหลงคิดความหลับความนอนเป็นของสุขของสบายของดีของดี ถ้าจิตจิตห่องในการหลับนอนกับสัตว์อื่นทุกจำพวกเขากปลับได้นอนได้ไม่มีอะไรดีวิเศษเกี่องการหลับการนอนพอนักผ่เพราะให้ธาตุขันมีกําลังทำคํามผาดความเพียนต่อไปเท่านั้นในมุ่งหวังจะเอาความสุขความสบายความประเสริฐ จ, จากการหลับการนอนท้องตัว นอนพอพระพกผ่อนขาดขันให้มีกําลังทําความเพียรต่อไปเท่านั้นถ้าคิดอย่างนั้นการง่วงเาหงาเมานอนคล่องตัวนั้นก็ค่อยเบาไปเพราะไม่ได้เอาใจใส่จิตยิ่ง่วงเาหงาเมานอนในการทําความเพียรก็ดีในการระดับรับฟังธรรมก็ดีด้วยมากยาจะให้สงบจิตง่วงอยู่แล้วยิ่งให้สงบเลยวปลอมให้หลับไปเพิ่มไปติดไป ในจิตใจเปิดเชิญไม่อัดในทำที่ตนสดับเล่าฟังหรือตนคนคิดที่นพิจารณาในเวลาทําความเปลี่ยนว่าโอกาสเวลาที่เรามีโอกาสเวลาได้ภาวนาหรือได้สดับเล่าฟังนี้เป็นโชคดีของเราคนส่วนใหญ่แต่ค่อยมีโอกาส เวลาจะได้มาภาวนามาทําความเคียนมาสดับเล่าฟังอย่างเราเราโชคดีจึงมีโอกาสเวลาอย่างนี้เกิดเพลินในความดีของตัวที่ใดแต่ทําความดีดบําเพ็ญความดีทีนี้ที่แกนาดูว่าการฟังธรรมหรือการบําเพ็ญภาวนาเป็นของดีเป็นเรื่องที่จะรักษาสติ เพื่อฝึกปัญญาให้คนคิดพิจารณาทำไม่ใช่เรามาหาความหลับความนอนพอนั่งเขา่าง่วงเหงาห้านอนใ่มีการจะคิดอ่านให้จิตเกิดตีติยินดีรุ่มใจในการบำเพ็ญของตัว ความง่วงเหงาขอทับถงเข้าเรามีอุบายแก้ไขใจของตัวใจของตัวก่ในง่วงก็มีงานทําคิดไในอาจในทำที่เจรนาเป็นอาจเป็นทำมันก็เกิดความสุข ม, มีปีติมีสุขความง่วงเหงามันจะเกิดมาจากที่ไหนเพราะใจมันอิ่มในการกระทํำของตัวมีความสุข เกิดเพลินในสมบัติที่ตัวรู้ตัวเห็นตัวกระทำบำเทมเพ็ญอยู่นั่นก็มีสุขมีสบายแมน่งง่งเหงาเข้านอนทับถ ม, มเป็นเรื่องแก่จิตใจของตัวในเมื่อเวลาทำในเมื่อเวลาลาฝั่งทำก็เหมือนกันนอกจากนั้นอุทธัจจะกุกุจจะความปุุงตรงของจิตปุ่งไปเทไร ก็ยิ่งลำคาญวุทิจักรความปุ่งกุงจจักรความลาคาญปุ่งซ่านลำคาญนี่หมายถึงจิตไม่มีหลักยึดจิตไม่อยู่กับอัดกับทรรมนี่แต่คิดแต่ปุ่งเลื่อยไปถ้าฟังเทศตัวเมื่อไรท่านจะหยุดใจยาจะได้พักผ่อนหลับนอนเกิดลำคาญไม่มีความ ยินดีเต็มใจในการสลหรับฟังการนั่งภาวนากําห น, า น, าหนดเวลาเอาไว้ขนาดนั้นขนาดนี้จึงจะพักผ่อนจึงจะหยุดออกคิดลงไปเรื่อยนาฬิกามันจะได้กี่นาทีแล้วสงควรหรหรื อ, อยังอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คือเรื่องจิตมันคิดออกนอกมันปุ่งออกนอกปุงออกนอกเงี่ยมองดูไหมถึงจุดที่ตัวกําหนดเอาไว้ก็เกินลาคานใจ ขางปุ่งส า, งารลังคาอุทจักกุจักก็มีทางแก้ไขหายใจของตัวขึ้นบานตีติในการการทำบำเพ็ญในยาที่เรากำหนดเอาไว้มันใช่เป็นเวลานมนานเกินเหตุเกินผลแต่เราชอบเรายินดีในสิ่งที่เราชอบใจแล้วทำสิ่งอื่นมากกว่านี้เรายังทำได้ทนได้เท่านี้ เราจะทนไม่ได้นีอย่างหรือเราทําความดีให้แก่ตัวของตัวหลอนใจให้ที่นี้พี่เจรนาะหาทางแกะไขไม่ให้ใจปรุงปรุงไปในทางชั่วทางเสียอย่างนั้นเมื่อจิตใหม่ปุงใหม่ปรุงไปในทางใหม่ยินดีเต็มใจไม่อัดในทำที่ตัวที่นี้พี่เจรนาะรู้เห็นเด่นขึ้น สิ่งผเคยห่องใจปิดใจไม่เคยรู้เคยเห็นเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้ความส ง, งบของใจความสุขของใจความผ่องใสของใจความสว่างของใจรจู้เห็นแนตะ่พิจารณาเรื่องธาตุขันในตัวเองผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็ น, นกระจัดชัดเจนจะเอามาปองกันขึ้นเพทินกันขึ้นเรื่องกระดูกแล้ว กำหนดไฟเผาใหม่หมดไปเป็นเท่าเป็นฐานเป็นฐานดินไฟก่อขึ้นใหม่อยู่อย่างนั้นก็ถูกไม่ผิดเมื่อกิตมีหลักของอัจของทำพิจารณารู้เข้าใจเห็นไปจากอย่างนั้นจิตมันก็ไม่สงสัยไม่เกิดวิกิตษฉากําลังเลสงสัย ทำอย่างไรจิตจริงจะรู้จะเห็นทำอย่างไรจิตจริงจะสงบเย็นเยือกเย็นพอเราเห็นความสุขความสงบของตัวนั้นก็หมดไปในนิวรณ์ทั้งห้าจิตก็มีสมาธิตามนักแน่ไม่หวั่นไหว เ, เอียงไปตามเรื่องต่างๆนี่เป็นทาง ก, กําจัดนิวรณ์ออกจากใจเหมือจิตไม่มีนิวรณ์จิตก็สงบ จสงบจิตตัวสบายเพราะไม่มีอะไรวุ่นวายเกี่ยวข้องก็เห็นอันนี้สงเกี่ยวข้าสงบก็เห็นอันนี้สงเชื่อในอดธรรมเชื่อในตัวของตัววัดทำขนาดนี้เห็นขนาดนี้ จ, จ, จ, จิตใจดีจิตใจประเสริฐอย่างนี้เมื่อเราทํามากไปกว่านี้ทําไม่มีกิเลสตัณหาไม่มี ราคะต่างๆมาเกี่ยวข้องกับใจมันจะสุขขนาดไหนไหนเพียงจะสงบระงับเชื่อขณะเวลาขนาดนี้ก็ยังมีความสุขความสบายดีนั่นก็อยากจะกจะทำบำ เ, เพนญพอมันเห็นมันเป็นในตัวของตัวเชื่อในมีทางสงสัยมีใจจะปฏิบัติตัวของตัวให้ได้ให้ถึงให้ดีให้วิเศษ เกกความคิดปรุงไปนอกๆตัดออกเรื่อยๆไปเพราะไม่เป็นสาระประโยชน์คิดไปเท่าไรก็ไม่มีความสงบสุขมีเป็นทางทดีจิตของตัวจะสอนตัวข้องตัวพอรู้เ ข, ข้าใจไปคิดไปนมนานในเห็นอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพลัจิตบังคับจิตคิดในอัดในทำพิจารณาอัธรรมจิตใ จ, ดจได้รับความสุขอย่างใหญ่ จะไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาทำไมมันก็มีทางสอนใจของตัวเ <c oughs> มื่อจิตมีหลกฐานของสมาธิกำจัดอารมณ์สัญญาทางอาธรรมออกไปใจมีหลกฐานแก่สานอย่างนั้นจะพิจารณาอะไรสิ่งที่เคจิตของในจิตในใจก็อรู้เห็นตามเป็นจริงไปละถอนไป ใจกว่าน้ำวันเบาน้ำวันสบายเพราะไม่มีข้าศึกไม่มีโรคให้เบียดเบียนจิตหมายถึงกิเลสกิเลสน้อยเท่าไรใจก็จได้รับความสุขเท่านั้นเหมือนกันกับกายของเราโรคมากเท่าไรกายก็เป็นทุกข์เท่านั้นผลที่สุดกว่าตายอื่เหมือนกันจิตใจของเรากอกิเลสตัณหาเป็นโรค เลียดเดียนจิตใจไม่ให้สว่างสวัยไม่ให้คล่องใสไม่ให้มีความสุขถ้าเรากําจัดออกได้เท่าไรใจมันก็ยิ่งสบายเพราะใจสงบเพราะใจมีสมาธิพิจารณาอะไรปลอดค่องใส่ชัดเจนเห็นไปจากความเคยจิตข้องต่อหมองค้องใจละไปได้ถอนไปได้แล้วปัญหาอะไรที่มันห่องติดอยู่ในจิตในใจ เราพยายามที่นี่พี่เจอนาคําตอบปัญหาจะเกิดขึ้นในตัวไม่ต้องไปถามคนอื่นถามคนอื่นมันไม่หายสงใสัยส่องอาศัยตัวของตัวเองฝึกจากตัวของตัวเองมันสงสัยได้มันก็หายได้ทถามมันมีคําตอบมันก็ตรงนี้เมื่อฝึกทุงที่มันจะต้องตอบมันเองปัญหาจิตเราข้องจิดอยู่ในจิตในใจมีการฝึกจิตอารมใจของตัว ไม่ต้องไปคิดเพราะวกรวนเรื่องอื่นระยะเวลาสีธรรมจิตธรรมใจฝึกปฏิบัติต้องกำจัดเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆปิดประตูไม่ให้อารมณ์ร <c oughs> ัวไหลเข้ามาหาความสงบภายในตัวเหมือนเราปิดประตูบ้างคนอื่นภายนอกไม่เข้า ประตูของเราปิดเอาไว้ส่วนเรื่องภายในมีอย่างไรจะเราจะพิจารณาให้รู้จักชัดเจนสมบัติของเรามีอย่างไรเราจะต้องดูแลรักษาการรักษาบ้านสองขอเป็นอย่างนั้นการรักษาสมบัติภายในคือจิตใจเมื่อเราจะทํากําหนดใจจริงจัง ปิดยังไม่มีรากฐานแกนฐานเราจะต้องปิดประตูบ้านเทียก่อนคือปิดอารมณ์ทันยาคลายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์ทันยาคลายในติตที่เป็นค่าศึกก็ขับไล่ออกไปความเทียนตามหลักของศาสนาท่านจริงเก่าไว้มี4ี่ประการคือสังวรประทานเพียนรักษาความชั่ว ทางกายทางวาจาทางจิตไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มีขึ้นมันอยากทําก็ห้ามกั้นเอาไว้อย่าให้มันทํามันอยากพูดก็ห้ามเอาไว้มันอยากคิดก็ห้ามเอาไว้สังวรกายวาจาใจของตนเรียกว่าสังวรรัติทานเป็นความเพียรสําหรับไม่ให้ความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของตัวประหารประทาน ขับไล่อารมณ์สัญญาที่เคยมีในใจให้ตกออกไปถ้าเป็นอารมณ์ชั่วอารมณ์เสียต่างๆขับไล่ออกไปเพราะกายไม่ได้ทำวาจไม่ไดู้ดแต่จิตมันคิดมันตรงต่างๆขับมันออกไปจะให้มันมาเกี่ยวข้องกับใจเหื่อเวลาเราภาวนาจะต้องจับ อารมณ์ของธรรมเอาไว้ส่วนอารมณ์ของกิเลสให้ขับไล่ออกไปเรียกว่าปะหารปัะฐานคือขับความชั่วออกจากใจเป็นความเทียนสี่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์บัญญัติเอาไว้ให้นักภาวนาให้นักปฏิบัติศึกษาวามชั่วนอก ไหลเข้ามาก็เข้ามาสู่หูสู่ตาสู่กายสู่ใจของเรากั้นเอาไว้ด้วยสติความชั่วภายในซึงมีอยู่ในใจของเราเราก็รู้สามารถที่จะจกำจัดออกไปด้วยสติปัญญาอีกเหมือนกันภาวนาประทานการทำการงานที่เป็นอัตเป็นธรรมจะกําหนดบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้จิต เป็นฟุตโธให้พุตโธเป็นจิตให้สัมผัสอยู่อย่างนั้นอย่าให้ไปคิดไปปรุงตามสัญญาอารมณ์จิตเกิดขึ้นหรือผ่านมาเมื่เรายังมีสติระลึกพุตโทได้อยู่เมื่อไรเราจะไปปล่อยให้จิตใจไหลไปตามสัญญาอารมณ์เป็นตั้งขาดคิดว่าพุตโธนี้แหละจะทําจิตให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้ไม่มีอะไรอื่นจะนอกเหนือไปจาก ทำบริกรรมของเราเนี้ยเพราะเราเคยติดตามเรื่องต่างๆมานานจิตก็ไม่เคยส ง, งบจิตไม่เคยรงรวมจิตไม่เคยแด้รับความสุขอะไรเราไปอีกก็จะเหมือนก่อนไม่มีอะไรจะเป็นจีตพอใจรุ่นใจของเรานอกจากจะเสียเวลาตำหนิตัวไม่มีคุณค่าเพราะติดตาม เรื่องต่าง ๆ, างๆนๆ่นะผีผ่านมาในรักษาตัวของตัวเองกำหนดอยู่แต่บทพุทโธอยู่อย่างนั้นจนจิตมันพอตัวมันจะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงแล้วจะมาคิดพุทโธคิดไม่ได้พอมันลงถึงขีดถึงขั้นของมันจะมีแต่ความรู้สึก คือสติและเฉยอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะไปเป็นอารมณ์สองมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้นีน่คือจิตรวมลงถึงที่กายก็เป็นหมายกว่ามันนั่งมันนอนเวทนาความฝึกทุกต่างๆวางไปหมด ไม่มีหมายอะไรนอกจากความรู้ที่เป็นหนึ่งอยู่เท่านั้นในเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเมื่อจิตรวมถึงที่เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรมันพักเต็มที่ของมันมันลงถึงที่ของมันถ้าเคลื่อนขึ้นมาเมื่ อ, อไรนั่นแหละจริงจังระลึลกได้แล้วก็ไม่หมายว่ามันจีนัดที่จีชั่วโมง มันรวมอยู่อย่างนั้นจะเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยความเหนื่อยความหิวเพราะมันหมายหมายอะไรหมีใจรวมถึงที่มันอยู่แต่เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นผู้ฝึกตัวของตัวจะทราบจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นีคือจิตรวมมันรวม ได้อย่างนั้นพอดถอนขึ้นมามันก็มีกําลังเหมือนกันกับเราในพักผ่อนคนที่ไม่ได้รับได้นอนไม่ได้อยู่ได้จินอะไรนี่จะทํางานเลื่อยไปมันไม่มีกําลังที่จะทํางานได้พอมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเหมื่อยมันหิวในจิตพวกเราแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยรวมไม่เคยพักถึงขี่ถึงฐานสักที มีใจคิดแต่ปูไม่ว่างอาทํางานอยู่หรือเดินอยู่นิ่งอยู่มีแต่ใจคิดอยู่อย่างนั้นจิตไม่เคยเลยพักถึงฐานของมันถ้าพักถึงฐานของมันเป็นอย่างไรพอเพืรมรวมลงเป็นหนึ่งอย่างเพื่ว่าเมื่อมันรวมลงได้อย่พิจารณาอะไรมันก็แยบคายเห็นอำนาจของความถุขความสบายของจิต ไหจิตทางมันรวมลงได้มันสบายมันวิเศษอย่างนี้มันเบาอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันได้สัมผัสจากการปฏิบัติของตัวเองจึงเชื่อมั่นว่ามรรคผลมีแน่เราประพฤติปฏิบัติเพียงแค่นี้ก็ยักเห็นความสงบสุขความสบายอย่างนี้มันเชื่ออยากแก่ประพฤติปฏิบัติไหวจิต รวมได้อย่างนั้นแต่พิจารณาอะไรมันก็ผ่องใสแจกไขความติดของค้องใจสะดวกสบายมีเรียกว่าภาวนาประทานคือมันพยายามบังคับติดบังคับใจของตัวให้ติดอยู่ในเรื่องของธรรมไม่เหตุตามเรื่องของกิเลสตามเรื่องของสัญญาแต่บริกรรม กอเห้ตั้งใจบริกรรมจะพิจารณาอะไรเพ่งอะไรก่อเพ่งอยู่นะั้นอย่าให้หวันไว้ไปตามเรื่องต่างๆที่มากรอบวรจิตใจอย่าควาเสียนอันหนึ่งเอี่ยว่าภาวนาประทานเมื่อจิตเห็นจิตเป็นได้รับความ เ, เยือกเย็นสุขสบายอนุรักษนาประทานรักษาเอาไว้อย่าให้ความดี ของตัวนั้นหายไปเสียไปหมั่นพยายามติดตามรักษาหมั่นพยายามภาวนาแต่ทาบทําเพ็ญอยู่บอผู้ที่มีการรักษาสิ่งที่ตัวได้มาไม่เสียหายสิ่งที่ตัวยังไม่ได้พยายามแต่ทาให้ได้สิ่งที่เป็นข่าศึกแก่กายแก่ใจขับไล่ออกไปด้วย อุบายปัญญาทั้งภายนอกทั้งภายในอย่างนั้นท่านเรียกว่าผู้ภาวนากูละกิเลสผู้มีความเทียนในอย่างนั้นในเป็นความเทียนให้เดินกว่าสักต่ว่าเดินนั่งกว่าสักต่ว่านั่งไม่ทราบวสติอยู่ที่ไหนมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นปล่อยหไหลไปตามสัญญาอารมณ์ยงังเปลี่ยนรียาบทมันเปลี่ยนได้ไม่ว่าแต่ นักบวชนักปฏิบัติสัตว์อื่นมันก็เปลี่ยนได้จริงไหมผิดแปลกแตกต่างอะไรกันการมีสติมีปัญญานั่นแหละทันจึงเรียกว่าความเพียรเพียนละสิ่งที่ควรละเพียนถอนสิ่งที่ควรถอนเพียนบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นทางศาสนาท่านสอนมาอย่างนั้น และผู้ปฏิบัตปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านจึงรู้จึงเห็นจึงประเสริฐดิเศษคำว่ า, าประเสริฐดิเศษหมายถึงตัวของท่านเองรู้ตัวของท่านเองกว่าท่านไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเป็นอย่างไรท่านก็ทราบภารกิจจิตสุงของท่านเวลาท่านถึงปฏิบัติมาท่านเป็นอย่างไรท่านทราบ ในเรื่องของท่านามาเป็เหมือนเก่าก่าความสุขความสบายความติดข้องท้องใจความเหลวไหลต่างๆมันหมดไปเห็นว่าตัวของตัวมีสาระถึงคนอื่นจะไม่เห็นไม่รู้ว่าตัวของท่านดีวิเศษอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวของท่านเห็นตัวของท่านเป็นเพราะทำเป็นสรรคิดถี่โกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง เข้าใจเองดีชั่วยายละเอียดต่างๆมันตอบปัญหาในตัวของมันจากนั้นตววเราท่านตูวมาฝ <c oughs> ึกอบรมการประพฤติปฏิบัติกัวพึงต่างหน้าต่างตาฝึกอบรมศึกษากะรทำจริงจังจนให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในตัวเองพอทำไม่มีอะไรปิดบงังเปิดเผยอยู่ทุก ระยะทุกเวลาท่านท่าสี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกโดยยังไม่อุบัติแต่ด้วยอำนาจคนไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตัวเองจึงไม่รู้ไม่พอใจว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอธรรมถ้าท่านใครมีอยู่แต่ไม่รู้วิธีที่จะรักษาที่จะรายงเอามาเป็นสาราประโยชน์สอนตัวของตัว ให้เป็นเส้นบัติทองตัวเหมือนคนที่ไม่รู้ไม่มีวิชาจะไปทําแร่ต่างๆให้มาเป็นตัวของมันได้จะเป็นแร่อะไรก็าตามถ้าหากไมีมวิชาไปทำมันอยู่ในแผ่นดินนี่มีอยู่ทั่วไปเคสคอยน์ตัวมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้เหล็กตะกั่วทองแดงทองคํานี่อยู่ในแผ่นดินอันนี้ ี่เขาเอามาซื้ อ, อามาขายกันไม่ใช่ได้มาจากที่อื่นเอาของที่มีอยู่แต่ก็มีปัญญาสามารถที่จะนำแหลนนั้นมาถลุงมาเจริญในให้มีคุณค่าสระประโยชน์ขึ้นพระพุทธเจ้ า, าก็เหมือนกันความจริงธรรมมีอยู่ในถาดในขันในตัวของท่านในสัตว์ในโลก ไม่ใจ่ิญขันไปหามาจากที่อื่นมาเนี้ยมาสอนตัวของขันหรือมาเนี่ยมาสอนโลกมันมีอยู่ขันจึงหาได้ขันจึงพิจนารณาได้โลกของเราก็ไม่าขาดแคลนอะไรนอกจากสตินอกจากปัญญาจึงควรฝึกสติอย่าปล่อยสติปัญญาเป็นสันเลขัดธรรมพื่อเป็นเสื่องขดัดเก่าสิเลสหรือเป็นตปะ สำหรับแพดเผาที่เหลียตันหาความชั่วช้าลามมกต่างๆให้ตกออกไปจากใจของตัวจึงควรศึกษาควรที่นิชชเจรณาไม่ควรปล่อยป่ะละเลยตัวของตัวถ้าอยากให้ตัวเป็นของที่มีคุณค่ามีสาระแต่คนไม่สนใจในตัวมันจะชั่วยอย่างไรจะเสียอย่างไรช่างมันเขาทาได้ เราทำไปก็อยู่ได้เราอยู่ไปแต่จิตใจวุ่นวายกังวลเศร้าหมองเดือดร้อนแต่ก็ไม่เคลียหลาบไม่มีทางที่จะรักษาตัวของตัวคนแบบนั้นเป็นโมฆะบุคคลหาสาระประโยชน์ไม่ได้เป็นคนเปล่าไม่มีคุณค่าสาระอะไรเกิดมาเสียชาติของมนุษย์ คุสอนตัวฝึกตัวอย่าทำบำเพ็ญคุณความดีอย่าไปนอนใจเพราะเรื่องธรรมดีในของพระพุทธเจ้าไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีนักบวชไม่มีครือหัดผู้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดเหมือนกันหมดไม่ได้ห้ามกั้นมาคนนั้นถึงจะได้คนนี้ถึงจะดี ่านเปิดโอกาสให้แล้วแต่คนใดมีสติแล้วแต่คนใดมีปัญญาจะค้นหาที่นิพจารณาสอนตัวเองเหมือนสมบัติของโลกใครฉลาดก็หาได้ถึงคนอื่นเขาอดยากยากจนแต่คนฉลาดก็มั่งมีสมบูรณ์สมบัติไม่ทราบไม่ใช่ว่าโลกอันนี้ นี่แต่คนจนอย่างอย่างเดียวคนรวยไม่มีคนรวยยังมีอยู่เพราะเขาฉลาดเพราะขายันหมั่นเพียรหาถูกทางมีปัญญาหาครับมันก็เกิดได้มีได้สมบัติเศรษฐกิงงเงินทองแต่คนโง่เพราะก็เกิดในโลกเหมือนกันแต่จะหาสติปัญญาหาวิชาอะไรในตัวไม่มีความเพียรขยันอะไรก็ไม่มี เราก็จะไปตํานี้วโลกอันนี้มันอดอยากอยากจนนั่นคือเรื่องของเขาอดอยากอยากจนแต่ความจริงสมบัติมันมีในโลกสมบัติก็ไม่เลือกหน่ะว่าผู้หญิงหาไม่ได้ผู้ชายถึงจะได้หรือผู้ชายหาไม่ได้ผู้หญิงถึงจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติเข่าของเงินทองแล้วแต่คนฉลาดหาได้เท่นะั้นเป็นของผู้หญิงคน คุณข่าราคาเท่ากันของผู้ชายก็เท่าเท่ากันค่ะเป็นเงินบาทหนึ่งกว่าใช้ได้เพียงบาทหนึ่งเหมือนกันผู้ชายมีผู้หญิงมีไปซื้อของจํานวนบาทหนึ่งได้เหมือนกันไม่ผิดกันนี่ทำคําสอนของพระเจ้าก็เป็นของสาธารณะอย่างนั้นไม่ได้ฉีดท่านว่าเป็นนักบวชยังจะปฏิบัติได้คทะเลาะปฏิบัติไม่ได้ไม่ว่าอย่างนั้นขอให้เราท่าน ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบําเพ็ญมันเห็นมันรู้มันดีมันวิเศษได้เหมือนกันทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสืบรับรอง <c oughs> หนึ่งไม่มีสองถ้าทำจริงก็คือเรื่องสติปัฏฐานการพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจเจรณา เวทนาการพิจารณาจิตพิจนานณาธรรมแล้วกายมีอยู่ที่ไหนเวทนามีอยู่ที่ไหนจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนนอกแกตัวของเราเถอะนะตัวของเราจึงเป็นก่อนของธรรมก่อนของสติปัฏฐานอ่านที่นี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจว่ากา ย, ส, กากาย ส, กสัตว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเชื่องแก่สักว่ากายเถอะนหรือสมมติว่ากายจิตของเราท่านเห็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ หรือาจำเขามาได้หากมันเห็นจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นมันประเสริฐขนาดไหนจิตใจที่ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นมันจะมีความโกรธความโลภความหลงมาจากที่ไหนเมื่อมันเห็นไปจากชาัดเจนในใจจริงจังนี่มันไม่เห็นมันจำได้ได้แต่ตำราไปซื้อขายอะไรไม่ได้มีเท่าไรก็ไปแจกขาโกรธใครไม่หาย ถ้าเป็นตาราองยากเป็นบัญชีของเงินกว่าจะจ่ายไม่ได้นี่เราจํา ม, มาแบบนั้นด้วยสัญญาเปการพิจารณาให้เกิดให้เห็นให้เป็นในตัวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงหลุ่มจึงหลงจึงเกิดจึงเพลินจึงเดือดจึงร้อนเพราะให้พินี้พีเ่เรินาให้เห็นให้เป็นเพราะทำมีอยู่ในตัวของตัวกายานุปัสนาสติปัฏฐานพิเจณาคิดอ่าน ในเหล่องร่างกายให้เป็นนิสให้คิดให้ถูกเรื่งองหลักท้องธรรมอย่าไปคิดในทางผิดมันจะเกิดความโกรความโรคความหลงสุดหากคิดถูกณวันมันจะดับสิ่งเหล่านั้นให้หายสงสัยให้เบากายเบาใจเรื่อยไปนี่คือเรื่องมันถูกเหมือนกันกับยาคิดถูกโรคพอทานลงไปโรคภายในกายหน้าวันเหยียดหายหนวันเบาวันสบาย มี่คือโรคที่ถูกกับยามีการพิจารณาทมที่ถูกกับจริตนิสัยถูกกับใจของตัวตัวทำนองนั้นนับวันที่จะเบาจากความติดข้องความเศร้าหมองโรคโวดหลงตกไปหมดไปเพราะใจรู้อัดเห็นธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจได้ได้รับความผ่องใสเราจะได้รับความสุขความสบาย